เรื่องชอบบนนี้ เ, เป็นส่วนประกอบ ก, บกับการปฏิบัติเร่อนี้ขนาดนี้เรามาปฏิบัติทำกันเรายอมรับการตัดสู่ของผู้เจ้าว่าอุบัติขึ้นในโลกนี้จริง 2,600 ปีมาแล้ว คนในโลกที่ชวร ด, ดูก็ยอมรับหรือว่าการตรัสรู้เป็นสาคผลของโลกไปแล้วมี <c oughs> คนที่ชวดกันดูดาวพัฒธรรม ท, ที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ก็มีอยู่จริงก็ยังอยู่จริงนํามาปฏิบัติได้ทุกโอกาสเพราะอยู่ที่ ตัวเรานี่เองมีหลักฐานมีปัจไปีดบอ่านดูแล้วก็มีอยู่ในตัวเรานี่ทั้งหมดเมื่อเรานำมาปฏิบัติตามคำสอน ก็รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรแก่ผู้ปฏิบัติเกิดเป็นพระญา บ, บุคคลช้นใดชั้นหนึ่งจนถึงพระหลาหันอยู่เนือกาอเกิดจเจ็บเจบตายมีอยู่จริงแต่ว่าพระหลาหันนี่ก็คือเหนือทุกอย่าง เป็นความหลงที่คนอื่นหลงพระอาหารหันต์ไม่หลงรวมทุกข์ที่คนอื่นเขาทุกข์กันพระอาหารหันต์ไม่ทุกข์เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ อ, น, อ, อนิพพานหมดหมดพิษหมดภั ย, มภยไม่มีภัยในชีวิตได้ชีวิตเนื้อการเก่เจริญตายได้ พวกเราก็มีศรัทธาออกจากบ้านจากเดือนมาไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านดเดือนแล้วบางทีก็เป็นนักบวชสี่สิบปีห้าสิบปีมาแล้วก็มีบางผู้บางคนก็มีศรัทธามาบวชเพื่อศึกษาโอกาสกด้วยน้อย บางคนก็ผู้ปฏิบัติได้เห็นล่องรอยแห่งธรรมะก็มีความโดดตื่มบางมีชีวิตชีวาอยู่การปฏิบัติจนอยู่เดียว่าหมูพุทธบริษัทมีพิกจุพิกจุนิบาฉกบาชิกา วิธปฏิบัติปฏิบ่าวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเร็น ว, วิชาที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทํามีที่ตั้งแห่งการกระทํำบารภาวนาขยันกระทําการกระทํำคือความรู้จักตัวปไปในกายมีความขยัน กาย น, าา น, นู่จิวะภาวนาวิธีจิตู่ประกอบขึ้นมาได้ในกายในใจเรานี่พอากลายมาเป็นที่ตั้งมีสติไปในกายพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้ได้เป็นพุทธเจ้ากายนู่อย่างนี้ เมื่อขยันรู้อย่างนี้ก็เกิดวิปัชนนาเกิดความรู้แจ้งจำนี้จำนาญได้ผลขึ้นมาดังที่ว่าพระอรหันต์ได้ความรู้จากความหลงได้ความไม่ทุกข์จากความทุกข์ได้ความไม่โกรธจากความโกรธได้ความสงบจากความพุ่งซ่านนั้นเปลี่ยนร้ายเป็นดีอย่างนี้ด้วยปฏิบัติธรรม เราจะอยู่ในฐานะแบบไหนกันเราอาจจะใช่กายใช้ใจผิดม า, มากก็ได้ไม่ได้ขยันรู้ไม่ได้ให้กายไปที่ตั้งแห่งความรู้ไม่เอาใจไปเป็นที่ตั้งของความรู้เราแต่ใจจะคิดอะไรทวานของใจคือความคิดซุกซนไม่มี อะไรสอนตัวเองก็ไม่สอนไรู้จักวิธีสอนใจไปรู้จักวิธีสอนกายไอ้ชุกชนไปทำชั่วทำเร็วสามเล่าติดบุหรีติ ด, ดสิ่งเจ็บปิดเป็นคนชั่วจิตใจก็คิดได้ทุกเรื่องเอาหอบพิ้วไปไหนก็ไปกลายรปย่อมอารมณ์ จกีย د, ิตดีๆก็เปิดื้อนไปหมดเพราะไม่เคยสอนไม่เคยช่วยจิตไม่เคยสอนจิติเพให้เกีติสุขบ้างเพาะให้จิตทุกว่างก็ติดเอาความสุขความทุกข์ความโกรธโลภหลงเกียรติปัญหาหลักะเป็น เจ้าของจิตไปแล้วเป็นเจ้าของขายไปแล้วเอาความไม่ดีว่าเป็นตัวเป็นตนไปก็มีตากูได้โกรธตายก็ไม่เลืมบางทนก็คิดไปอย่างเช่นนั้นแล้วทําตามความโกรธเสียผู้เสียคนเสียเปรียบความโกรธก็มีเหมือนกัน <c oughs> เราจึงต้องมาปฏิบัติ กรรมฐานกรรมฐานมันเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์จากสามัญช น, นเป็นกันลยาณนะปุถุชนจากกัลยาณนะปุถุชนเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์เป็นพระ อ, อาญ ย, ยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งพระโสดาปฏิมาคพระโสดาปฏิผลพระสกิทาคามีมากพระสกิทาคามีผล พรนาคาม่มกักพรานาคาไม่ผลเพราะละหันต่มกักพระ อ, อานแต่ผลเกิดจากพระศรธรรมนำมาปฏิบัติจิราว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าเกิดจากพระศรธรรมนำมาปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เกิดจากวิธีแบบอื่น ตรวจเยสหหังเฮ้อโอกาสจะทำพิธีกรรมอันนั้นเป็นพิธีกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติกรรมมารฐานในรูปแบบก็ดีได้แบบแผนได้เข้าจู่ทำไปหน่อยดยเข้าจู่ทําปันได้เข้าแบบข้าพิมเพื่อหลอหรไม่เป็นพระ ก็อาศัยรูปแบบอ า, าศัยพิธีอ า, าศัยเครื่องหมายก็ช่วยได้เหมือนลัล่ล่อมผลจะมีระเบียบก็มีลัว่วในวันทัดมีเช่นทางเข้าทางออกก็มีอย่างนี้เพื่อหัดกายหัดใจแต่ก็ยังหัดประเทงใจจริงๆ เห็นได้ความรู้แต่ยังได้ความรู้ไม่ถูกรู้ว่าทุกข์ไม่ดีก็ยังทุกข์อยู่รู้ว่าโกรธไม่ดีก็ยังโกรธกันอยู่ความรู้จึงแค่ไม่ได้จึงมาปฏิบัติสัมผัสดูมีสติสัมผัสดูพิ ส, ต, ส, ส, สติเป็นเกณฑ์ที่วัดตั้งไว้ก่อนต่อวิจากรรมฐาน นี่สิติภายในกายเป็นประจมผูเขีนเข้าเหยียดแขนออกรู้จักตัวนี่ต่อเอาอย่างนี้เอากายไปจมเอาความรู้เป็นการสัมผัสให้กายมาันชินต่อความรู้จักตัวเพื่อนไหวให้รู้ผูเฉีนเข้าเหยียฉแขนออกก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้มากมายหลายอย่าง อ่านมาทางดวงตาภายในคือสติสติเป็นตาภายในมีตาลู่โลกมาทางความคิดก็เห็นมาทางกายก็เห็นมาทางหูก็เห็นมาทางจมูกดิ้นกายใจก็เห็นจะได้รู้รู้อะไรมันคืออะไรม่าจะต่างก็บความรู้อยู่ควงรู้เป็นเกณฑ์่ี้วัด ไว้แล้วตั้งไว้แล้วเป็นใหญ่แล้วถือว่าดีแล้วถูกแล้วชอบแล้วอยู่โดยชอบแล้วได้มีสติปรยในกายมีสติภรยในกายเป็นประจอมที่ว่าเธออยู่โดยชอบแล้วเมื่ออยู่โดยชอบอย่างนี้โลกจะไม่ว่างจากพวามละหันเอาไว้เจ้าจัดอย่างนี้เพราะพระองค์เคยทํามาแล้ว แล้วผู้ปฏิบัติตามทำตามคำสอนพี่เจ้าก็ได้ผลจริงๆไม่ต้องรอปิกมือขึ้นก็นลู่เนี่ยยกมือขึ้นก็นลู่เพื่อนไบมือมาก็ลู่นี่ต้องมเดือนยังรอวันเป็นเดือนเป็นปีก็มีจึงได้ผลแต่ว่าการปฏิบัติธรรมมันได้ผลทันที ประกอบขึ้นมากรู้ทันทีเปลี่ยนจริงที่ไม่ใช่ความรู้ให้เป็นความรู้ได้ทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> จะนูกเปลี่ยนล้ายเป็นดีที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจนี่เพราะมันเคยมีมันเคยคินมาคนมีรู้ ก, กับคิดแบบคนไม่มรู้ คนมีเมียก็คิดแบบคนมีเมียคิดคนมีความทุกข์ก็คิดแบบคนมีความทุกข์คนมีความสุข ก, ก็คิดแบบคนมีความสุขคนมีจิตเดือ้นหาก็คิดแบบคนมีจิตเดือด้นหาเพราะเหมือนไปจิตนิสัยมาไม่ได้ฝึงขาดติดเลยมากับเป็นไปทํานองนั้นหติดเฉยไปทํานองนั้น แต่ น, นี่หมายว่าเปลกนี้มันลงที่ความรู้จักตัวจ้าจุก็รู้จ้าทุ ก, ก็รู้จ้หลงก็รู้จ้ารู้ทางมันคิดไปก็รู้จ้เวลาหนึ่งวันเจ็ดวันอย่าเอาวันอื่นมาานะเรื่องนะครับตอกถึงความคิดให้เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องจติตภไปในกายก่อนจิตที่ตั้งก่อนให้มันจานานก่อน มาใช่หาคำตอบจากของคิดให้รู้จักตัวแม่มันคิดก็รู้จักตัวเวลานี่ไม่ใช่เวลามานั่งคิดมานั่งพูดฉันเข้าเหยื่อฉันออกรู้จักตัวหรือโดนจงกรมกลับไปกลับมารู้จักตัวอ <c oughs> อกตัวเองสอนตัวเองให้ตัวเองเป็นระเบียบใช้วเวลาเป็นระเบียบอย่างนี้ วันช่จะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวหิวไปโนนหิวไปนี่เวลานอนก็หาเรื่องหมาคิดจนคิดจนนอนไม่หลับหยุดความคิดไม่เป็นจะประหยุดความคิดเลยว่าอย่าคิดมันก็คิดวันใช่ๆอย่างนั้นหยุดไม่ได้ต้องหัดความประกอบแบบนี้วันคิดไปกับมาลู่เฉกตัว ความคิดกลายเป็นความรู้ความผิดกลายเป็นความรู้หลงที่ความรู้สึกตัวได้สอนกิดสอนกายแล้วรอยเกิดเมื่อถูกสอนบ่อยๆให้รู้บ่อยๆดนสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องชำนี้ช้ำรานหลงร้อยข้างกับรู้ร้อยข้างอย่างเนี้ยเมื่อไรที่ไม่ใช่ความรู้ก็เอาความรู้เป็นลง บอกกองรูปเป็นตัวเกณฑ์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องที่สุดเถ้ารู้จักตัวเนี่ยควางถูกต้องที่สุดแล้วอย่าหาคําตอบจากความคิดอื่นเหมือกรรมฐานกรร ม, ฐ า, รรมฐานจะจําแนกไปเองเพราะกรรมฐานที่ตั้งของ ก, กังกตธรรมความเป็นของจําแนกสัตว์จัดโลกเป็นไปตามกรรม ไม่ใช่อย่างอื่นเป็นใหญ่กรรมเป็นใหญ่กรรมมุนาวัตติโลโกรเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชัว่วทําบาปเองก็ช่มมอมเศร้าหมงเองไม่ทําบาปเองก็หมดจดเองควมเศร้าหมองหมดจดเป็นของ ข, องขี้ตัวใครตัวมัน คนหนึ่งจะยังคนหนึ่งให้เศร้าหองหรือหมดจดเป็นไปไม่ได้เกิด อ, อยู่ที่กรรมยิงมาทํากรรมกันให้มีกรรมดีเราจะต้องไปผู้รับขนของกรรมนั่นกรรมมาธาโยเราจะต้องไปผู้รับขลของกรรมนั่นกรรมมพันตุมีกรรมเป็นโผพันโผพันอะไรมา เกิดมามืดก็าอาจจะไปมืดไม่รู้จากพัฒนาตัวเองกปปรรเป็นทิ่งอางหายใจเราจึงมาทำกรรมมาอย่างไรก็ตามมาทำกรรมดีมาตั้งต้นตรงนี้อะไรเกิดขึ้นรู้นี่ตั้งต้นที่นี่เป็นการศึกษาเรื่อง จะได้ชีวิตเรื่องกายเรื่องใจการศึกษาเรื่องกายเรื่องใจให้ลูกอย่างนี้มันถูกพัฒนาเช่นชัน้นปรถมชั้นมัธยมชั้นอุดมเหมือนกันว่ามันมีกรรมฐานมีภารณามีวิปัชนาวิปัชนาคือผลลูกแจ้ง จากการที่ได้ศึกษามาแล้วควมหลงไม่ถูกต้องควมไม่หลงถูกต้องตอบได้เลยขอประกันทุกคนตอบได้ด้วยตนเองปัิจัดตังเองรู้เองเห็นเองเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้ก็ต้องพ้นจากความหลง โกรธไมถูกต้องกวไม่โกรธถูกต้องรู้แจ้งอย่างนี้ไม่มีแครเอาความโกรธถ้ารู้แจ้งอย่างนี้พ <c oughs> อมีเกณฑ์เชวัดในสมบัติแล้วแล้วตองไปถามใครร้องโกรธดีไหมกวัวไม่โกรธดีไหม ออย่าดไม่โกรธได้ไหมเวลามันโกรธไม่ช่ง่งไม่ช่่งเป็นแบบนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ไม่มีใครทิ้งความโกรธไว้ในชีวิตเลยเปลี่ยนเป็นความรู้ความไม่โกรธได้ทันทีการเปลี่ยนความายเป็นความดีเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ก็ถือว่าการรักษากายใจให้เรียบร้อยช่วยกายให้เรียบร้อย ให้สอดหมดจดจากเครื่องเศรหมองได้เมื่อรักษาเมื่อสะอาดเมื่อสะอาดก็บริสุทธิ์พอบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้แหละ ว, ว่าเป็นอันโนยงของกายของใจเองเมื่อกายใจบริสุทธิ์หมดจดก็เกิดเป็นมักเป็นผลงอกงามในมักในผลเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายเพราะมันเห็น มันได้หลักไปฐานได้กดระแสตั้งแต่ต้นโ้นแล้วเพื่อนพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ามีสติปปในการเป็นปัจจํสอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกจะได้ กายบางทีมิเกิดเลยขึ้นมาก็ <c oughs> เห็นอย่าไปเป็นกับมันอย่าเอากายไปต่อให้เกิดอะไรอีกจักแต่ว่ากายควมร้อนจากแต่ว่าร้อนเป็นอาการของกายควมหนาวเป็นอาการของกายควงผดวดกวมเมื่อยเป็นอาการของกายความหิวควา เหนื่อยเหนื่อยเมื่อลเป็นอาการของกายสัต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่กูโลดกูหิวกูปวดแล้วก็เป็นไปตามเหตุที่มันเกิดขึ้นนั้นพอให้พอใจไม่พอใจไปถึงความพอใจไม่พอใจแล้วเอาคาเอาเะ สักแต่ว่าไม่เป็นไปเอาความพอใจไม่พอใจเป็นตัวเป็นตนแล้วทิ้งไว้ในกาในใจแล้วมันก็เป็นภพเป็นชาติเกิดเจ็เจ็บตายบทนี้เราไม่เห็นจักแต่ว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกจะได้มันเป็นโลกความพอใจความไม่พอใจอะไะ ให้เหนือโลกคือถอนอย่างนี้ให้รู้จักตัวไปเหนือเหนือแบบนี้หรือถ้ามันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็จักแต่ ว, ว่าสุขจักแต่ ว, ว่าทุกข์ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่ฉติถอนออกมาเหยียวความสุขว่าเป็นตัวเป็นตนเหยียวความทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เห็นกรันใช่ไปอย่างนี้ เมืเ่อดูก็เห็นทิศสวยเมื่อเห็นกัลเสาก็ก็เห็นทิศทางเหมือนแสงเงินแสงทองขึ้นก็รู้ว่าทางด้าน็นทางทิศตะวันออกเ <c oughs> <c oughs> มื่อดูจากทิศทางจะเหนด อ, อกเราดูจากทางที่ตวันตกเมื่อรู้จักทิศทางทตะวันตกแล้วก็รู้จักทิศเหนือทิศใต้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ นี่กระแสกระแสที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอะไรที่มันถูกต้องวงถูกต้องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหรือว่าไปถูมักคถูกผลหรือว่าอยู่โดยชอบต้องควาถูกต้องเกิดขึ้นกับกายกับใจหรือว่าอยู่โดยชอบที่สุดต้องหล่อเถ้าเถกเปื้อยู่โดยชอบแล้วโลกจะไม่ว่างจากพาระอรหอน ว่าอย่างนี้พุทเจ้าว่าอย่างนี้ไม่ใช่เราว่าเองเมื่อเราสัมผัสเราเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนสัมผัสกับความพอใจและความไม่พอใจรู้สึกตัวเฉยๆเห็นด้วยไม่มาเป็นตัวเป็นตนเบาดีถูกต้องต้องมาเป็นตัวเป็นตเนตเหมือนกับว่ามันหนักเป็นภาระอางทีเราคงโกดว่าเป็นเรา กูได้โกรธต่อไม่ลืมอยู่คมโกรธไม่เป็นทรบลขคมโกรธอาว่าคามโกรธเป็นตัวเป็นตนผิดพลาดไม่ถูกต้องผมไม่โกรธต่างหากถูกต้องนี่ฉันก็เสอีอย่างนี้ยเยต่บัญชีตม่ตั้ใงใจลเลยมันเคยชุกสนเหมือนลิงอยู่นิ่งไม่เป็นภาษาของจิตรบรบาลม อะไรมากยื่นมาสู่จิตตาก็มาสู่จิตหูก็มาสู่จิตกายก็มาสู่จิตจิตก็มาสู่จิตเปนที่รับบาลมรู้อะไรได้เรว่าวิญญาณธาตุธรรมดาของวิญญาณธาตุคือรับรู้แต่จิตที่ดูนั้นมีความหลงเข้าไปยื่นเอาลับมือไปก็ายเป็น ตัวเป็นตนได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นจกักแต่ว่าจิตก็ว่าวนแล้วไม่เอาจิตมาเป็นตัวเป็นตนแนำมาเป็นอาการอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นธรรมชาตินี่ขยันอย่างนี้หลงที่ใดรู้ที่นั่นขยันรู้เอาไว้อย่างนี้ก็ก็พร้อม ก้นขยันลูกไปในกายเหมือนกับอยู่ในปลอมบาการเพื่อจะรับข้าศึกได้อย่างทันเวลาถ้าไม่มีป้อมบาการไม่อยู่ป้อมบาการก็พลาดท่าได้สุกเสร็จแล้วสุข ก, ก็เป็นสุกทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยมันก็เพ้แล้วเหมือนการแพ้แล้ว ก็สุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกแต่รู้เฉยเฉยสุกเห็นมันสุกคือความรู้เรื่อแหละไม่เป็นผู้สุกคือความรู้เรื่อแหละพ้นจาความสุกเรื่นคือความรู้เรื่องแหละมันพ้นภาระเป็นสามอย่างเห็นมันเห็นเหมืนทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุกมันเป็นอย่างนี้คำว่ารู้นี่มันเป็นปัจฏิการสามประการอย่างนี้เหมืนเราเห็นงู เห็นงูพิษเมื่อเห็นงูพิษล้วก็ไม่มีใครเข้าไปให้งูกัดออกไปถอยออกไปเดินออกไปวิธีเดินออกไปก็รู้อไปไกลแล้วพ้นแล้วพ้นแล้ ว, ลวเรียวว่าไม่งูไม่ได้กัดเลยแล้วนี่คือเห็นอย่างนี้เห็นแล้วมันก็ไม่ไปให้งูกัดเห็น ก็ตาภาปไดคือเจอตินี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสียงแนะ <c oughs> น่านี่ภาวนาภาวนามันดีอย่างนี้นะขยันรู้อย่างนี้มันเตรียมพร้อมอย่างนี้เหมือนกองกำลังพลเตรียมพร้อมกับค่าสึก มีชายภูมิที่ดีชายภูมิของกัลังพลดีลบกับข้าจึกได้ชายชัดนะทุกวิธีทางทุกเวทีก็มีความพร้อมถ้าเป็นอาวุธก็ยิงแมน่นยิงได้ไหวยิงได้ไกลอะไรก็รลูกนี่แม่นแล้วไวทันที หลงที่ใดไม่รู้ที่นั่นทันทีทุกที่ใดไม่รู้ที่นั่นทันทีแม้นยอมได้ไหวไหวใช้หลงเป็นหลงชาไปเสียแล้วเจ็บไปแล้วเพระว่ากันลงคนไม่พ้อมพอาจะาแพ้ข่าศึกถ้าหลงเป็นหลงว่าชอว่าแพ้ฆ่าศึกโกรธเป็นโกรธว่าแพ้ข่า ศ, กศาาึกไปแล้วข่าศึกชนะแล้ว ตอนหลงเป็นรูเนี่ยข้าจึกไร้แพ้แล้วกำลองคนชนะแล้วกำลองคนอันเดียวเนี่ยน้อยๆบาบข้าจึกได้เยอะควมรู้จึกตัวเนี่ยขอสรรเสริญความรู้จึกตัวขอเป็นคมถูกต้องจริงๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าความรู้จึกตัวเนี่ยพาให้คนเป็นพระรหลังได้ สเกเมปิกเวปุจึงกัยังบาลีมุกขังขอพูดภาษาบาลีอ้างใจหน่อยจะตก็เป็นตาวาวิจุตั้งหลายเมื่อภิกษุหยุด มีหน้าโลบเหมือนตะเคียนโฉกพวกมีสติเป็นไนม่นานมีหน้าโลบคือจสติเนี่ยมีสติเป็นไม่ไหนชีนโฉกคือพระธรรมนั่นเองไม่ใช่ว่าชาติตระกูลเพศวัยนิฐานละที่ที่ไหนคนมีกายมีใจมีสติเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงศาสต์านาว่าทุกขคุณรักที่มีกายเพียไว้สามารดลู้ได้ม่เกี่ยวกับลมกับแก่รวมรู้จักตัวเน่ประกอบขึ้นมาได้ทุกชีวิตถ้ามีกายมีใจเป็นคนเป็นปนมีท่าสีขนัน้าเอาบาใช้สำหรับประโยชน์ได้จึงเปน มีน่ารอดนะนี่เหมือนกับความลังพลบาปฆ่าศึกทีกเ ก, ก, กิดขึ้นกับจิตเวลาไมา่เชืู่จิตจากว่าจิตทมจากว่าทมไม่ใช่สับุกนตตัวตนลรอกความเสื่อมความจเจริญความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนถึงว่าทรทมไม่มาก เป็นกุศลก็มีความผิดพลาดเป็นอกุศลก็เป็นกุศลก็มีความถูกต้องเป็นอกุศลก็มีความผิดพลาดเป็นธรรมักแต่ ว, ว่ธรรมมันใช่จดบุคคลตัวต น, นเราเขาผิดแล้วแก้ ใ, ใหม่บางทีอาจจะได้บทเรียนจากความผิดเยอะแยะเห็นความโกรธ เห็นความโกรธเกิดขึ้นถ้าเห็นแล้วมันจะยิ้มยิ้มก่อใจเห็นความโกรธมันก็เห็นงูจะปลอดภัยไม่ให้โกรธขึ้นมาหน้าโบดหน้าบิ้งผู้ที่เห็นทำยิ้มได้เมื่อภัยมีผู้เห็นทำไม่ต้องทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ต้องโกรธเพราะความโกรธ ไม่ต้องหลงผู้ความหลงมันก็ชำนานมากขึ้นเหมือนเรียนหนังสือว่าถมมัธยมอุดมจนป ร, ริญญาคือจำนานในวิชาที่เรียนมาแต่เป็นเป็นวิชาชีพเอามาทำงานทำการเอามาได้ความรู้ต่ยังเกิดเ จ, จตจบตยังโกรธยังทุกข์อยู่วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ ดอชีวิตคือไม่เก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเห็นจตกแต่ว่าหงหลงไม่เป็นผู้หลงผู้จับความหลงไม่มีตัวอีกไม่มีตัวแล้ววงทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ผู้จับความทุกข์เนี่ยมันสิ้นทุบสิ้นชาติไปอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาเห็นเน่ยเนี่ยมันจึงสิ้นทุบสิ้นชาติไม่มีเกิดไม่เบียดไหวตายเกิด จะจำนานขนาดไหนแล้วแต่จะฝึกตนก็โสดาวันพระอายบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งหลงเกตรอบจึงพ้นจากความหลงก็าอายะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งหลงห้ารบจึงพ้นจากความหลงก็อายะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งหลงหนึ่งรอบพ้นได้เลยพระอรหันต์ไม่หลงเลยนี่คือมันจำนาญอย่างนี้เหมือนขนจบปริญญา อะไรก็ดูแล้วก็รู้ทันทีรู้ผิดรู้ถูกทันทีลองเสียงก็รูวผิดอะไรที่เหมือนคนเหมือนไหนแพทย์เรียนรู้เรื่องการเรื่องใจเมื่อเห็นไปตรวจแล้วก็รู้เป็นอะไรเขอบอกถูกบอกผิดบอกวิธีแจ้ อย่างลองตานี่เป็นโรคมะเร็งตรวจอยู่หลายวันตรวจเลือดแล้วกนแล้วคนที่ตรวจนายแพทย์มาตัดเอาก้อนเนื้อในคอที่มันมีก้อนเนื้อโตในคอนี่ตัดเอาระตรวจหลายวันเหมือกันกว่าจะพิสดได้แล้วก็บอกว่าหลังพ่อเป็นโรคมะเห็ง ตมน้เหลืองก้อนเนื้อโตเร็วมันดับจุดท้ายแล้วนี่ก็ตรวจคุ้พบจยางนี้เพราะมันบอกวิทยาศาสตร์มันบอ ก, อาามบอกเมื่อคนรู้หมอก็รู้หมอก็รู้ว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วรักษาได้ให้กีโมตัวใหม่เข้าไปเลย ข้าพเจ้าวิจารเสธวิธีการรักษาอื่นในทั้งสินน้นเนี่ยเจอก็ได้ไม่ตายเท่าตัวนี่วงโกรธไม่จริงข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยไม่โกรธและถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องควาไม่ทุกถูกต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไดอันนี้เจ้าไว้สงข์หมเหรอุบัตบิภัยธรรมเณรปิชิตตะบอนลุจฉันติเ ต, ตสังบุจบมจุกุ สงขอนเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ความโกรธกิดขึ้นได้เปลี่ยนได้ดเปลี่ยนไ ด, เนไ ด, ดเเน้เปลี่ยนได้อย่าเพิ่งพูดด้วยล่ะความโกรธเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่นะีอุปถาไว้ทำไมไปยึดทาไมไปยึดไปตัวเป็นตนลำบไกไม่ปล่อยไปปล่อยไปวางไปไลยสังบูปตัวโโกลองอับได้แล้วอยู่เป็นสุขพ้นเจากความโกรธพ้นเจากความทุกข์ นี่เรามันโกรธ ไ, ได้ประโยชน์นะคนงูเท่านั้นที่ให้ความโกรธเ็ความโกรธคนฉลาดเขาไม่โกรธกันแล้วเพราะความโกรธจะออยังไงพวกเรายกบือขึ้นรู้สึกเนี่ย อ, อเราเป็นหนึ่งเลยจะไปจะไปอ่อนอยังไงเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกับชีวิตเราแท้ๆชีวิตเรามีชีธิ ที่จะทำเรื่องนี้สําเร็จเวลามาโกรธเราไม่ฉิวไม่โกรธใช้ฉิที่เลยเวลามนทุกข์เรามีฉิที่ไม่ทุกข์ใช้ฉิที่เลยโอ้แมมันหายใจไม่ได้มันจะตายเราคงต้องอาศัยงันหายใจเนี่ยเราจะอยู่อย่างเนี้ยเราจะมีฉิที่ไม่ทุกข์เนี่ยไม่ทุกข์เพราะหายใจไม่ได้เนี่ยไม่ทุกข์เพรเก็บเนี่ย ไม่ทุก ป, ปกความตายนี่ยเอาอยัางไงผมควนเจอฟังกันนะ